วมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กัณฑรกะสูตร 2. อัฏฐกะนาคระสูตร 3. เสขปฏิปทาสูตร 4. โปติลิยะสูตร 5. ชีวกะสูตร 6. อุปาลิวาทสูตร 7. กุกุระวติกะสูตร 8. อพยราชกุมารสูตรเก้าพหุเวทนิยสูตรสิบอปันนกะสูตรสองภิกขุวักหมวดว่าด้วยภิกษุหนึ่งจุลรารหุโลวาทสูตร ว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็กเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเข่ครุงราชฤก์สมัยนั้นแหลท่านพระราหุลพักอยู่ณนะปราสาชื่ออัมพลติกาครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกร้น แล้วเสด็จเข้าไปหาท่านพระราหุลจนถึงปราสาทชื่ออัมพะติกาท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูราดอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาธิาที่ปูราดไว้แล้วทรงล้างพระบาทท่านพระราหุลถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควรลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเหลือน้าหน่อยหนึ่งไว้ในภาชนะน้ำแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้ไหมท่านพระราหุกลกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้าที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งอย่างนี้ จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งทิง้งแล้วตรัส ก, กับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเททิ้งไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเทศ ท, ทั้งที่รู้อยู่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้ำที่เททิ้งแล้วอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะน้านั้น แล้วตรัส ก, กับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นภาชนะน้ําที่คว่ำนี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่ก็เหมือนภาชนะน้ําที่คว่าแล้วอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงงายภาชนะน้ํานั้นแล้วตรัส ก, กับท่านพระราหุลว่า คือเห็นภาชนะน้ำอันว่างเปล่านี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่ก็เหมือนภาชนะน้ำที่ว่างเปล่าอย่างนี้เปรียบเหมือนช้างต้นมีงางงอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบันสงครามมาแล้วทาการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้าง ด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างสงวนไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างสงวนงวงไว้นั้นควานช้างมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกําเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้ว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 เป็นช้างทรงที่มีชาติกําเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบันสงครามมาแล้วทําการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างและถึงด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทําการงานด้วยงวงนั้นเมื่อนั้นควานช้างจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงา ง, งอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกําเนิดดี เคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบันสงครามมาแล้วทําการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยนาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชื่อว่าช้างต้นสละได้กระทั่งชีวิตบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะทําไม่ได้แม้ฉันใด ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมอะไรเลยราหุลเพราะเหตุนั้นแหลเธอพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไปกล่าวเท็จแม้เพื่อให้หัวเราะกันเล่นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหลราหุล ตรงสอนให้พิจารณากายกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกระจกมีประโยชน์อย่างไรท่านพระราหุลทูลตอบว่ามีประโยชน์สำหรับสองดูพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันราหุลบุคคลควรพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางกาย พิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางวาจาพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางใจถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางกายเธอพึงพิจารณากายกรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกาไร มีทุกเป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากกรรมทางกายเห็นปานนี้เธออย่าทํำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า กายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นขุศนมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางกายเห็นปานนี้เธอโคนทำราหุลเธอแม้เมื่อกาลังทำกรรมทางกายก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแลว่า กายกรรมที่เราจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุก์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง กายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากเธอพึงละกายกรรมเห็นปานนี้เสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราจะทํานี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบาก เธอพึงเพิ่มภูนกายกรรมเห็นปานนี้ราหุลแม้เธอทํากรรมทางกายแล้วก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแล้วว่ากายกรรมที่เราทําแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากกระนั้นหรือ ถ้าเธอพิจารณาอยู่เพิ่งรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากกายกรรมเห็นปานนี้เธอพึงแสดงเปิดเผยทาให้ง่ายในาศาสดาหรือในเพื่อนโภมจารีผู้รู้ทั้งหลาย แล้วสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปิติและปราโมทสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยกายกรรมนั้นแหละทรงสอนให้พิจารณาวาจีกรรมราหุลถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางวาจาเธอพึงพิจารณาวาจีกรรมนั้นเสียขอนว่า วจีคําที่เราปรารถนาจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีคานี้เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีคําที่เราปรารถนาจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เป็นไปเพื่อเ บ, บียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกํามไรมีทุกเป็นวิบากกรรมทางวาจาเห็นปานนี้เธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจ า, ารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเ บ, บียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเ บ, บียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเ บ, บียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง วจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางวาจาเห็นปานนี้เธอควรทําราหุลเธอแม้เมื่อกําลังทํากรรมทางวาจาก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแลว่าวจีกรรมที่เราจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงละวจีกรรมเห็นปานนี้ แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงเพิ่มภูมวจีกรรมเห็นปานนี้ราหุน แม้เธอทำกรรมทางวาจาแล้วก็พึงพิจารณาวจีคํามนั้นแลวว่าวจีคําที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีคํานี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกํามไรมีทุกเป็นวิบากระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า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 แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่เพิ่งรู้อย่างนี้ว่าวจีคาที่เราทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีคานี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากเธอเพิ่งมีปิติและปราโมทสำเนีกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยวจีคานั้นแหล ทรงสอนให้พิจารณามโนกรรมราหุลถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางใจเธอพึงพิจารณามโนกรรมนั้นเสียก่อนว่ามโนกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากระนั้นหรือ ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุก์เป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากกรรมทางใจเห็นปานนี้เธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า มโนกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางใจเห็นปานนี้เธอควรทาราหุลเธอแม้เมื่อกําลังทำกรรมทางใจก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแล ว, ว่ามโนกรรมที่เราจะทานี้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 มโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงละมโนกรรมเห็นปานนี้แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบาก เธอพึงเพิ่มพูนมโนกรรมเห็นป่านนี้ราหุลแม้เธอทํากรรมทางใจแล้วก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแล้วว่ามโนกรรมที่เราทําแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือ ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามนโนกรรมที่เราทําแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมนโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากเธอพึงอึดอัดระอารังเกียจมนโนกรรมเห็นปานนี้แล้วสารวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า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 สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ชำระกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระ ม, นรร ม, รระมนโนกรรมอย่างนี้แลแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการ จากชําระกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พิจารณาดีแล้วจากชําระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจากชําระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจากชําระมโนกรรมอย่างนี้แหลถึงสมณะพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนัการกําลังชําระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ก็พิจารณาดีแล้วจึงชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระมโนกรรมอย่างนี้แหลราหุลเพราะเหตุนั้นแหลเธอพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราพิจารณาดีแล้วจักชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระมโนกรรม เธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธินี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลราหุโลวาทสูตรที่หนึ่งจบ มหาราหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรใหญ่เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถี แม้ท่านพระราหุลก็ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปรดิษฐ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอพึงเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เรลวหรือประนีดอยู่ไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระราหุนทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาครูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคดรูปเท่านั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุน ทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณหลังจากนั้นท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนอที่พระผู้มีพระภาคจะทรงประธานโอวาทโปรดเฉพาะพระพักแล้วเข้าบ้านเพื่อบินธบาดกลับจากที่นั้นแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้านโะคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตร ได้เห็นท่านพระราหุล น, นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดรํารงสติไว้เฉพาะหน้าณนะโคนไม้แห่งหนึ่งจึงกล่าวกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอาณาปานาสติภาวนาเถิดเพราะอาณาปานาสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มาก ครั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่หลีเกเรนเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุล รูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปาทินกระรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปัทวีธาที่เป็นภายในปัทวีธาธาดินที่เป็นภายในและปัทวีธาที่เป็นภายนอกก็เป็นปัทวีธา่นั่นเองบัณฑิตควรเห็นปัทวีธาานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหนายในปัทวีธาตุและทําจิตให้ใคลายกําหนัดในปัทวีธาตุได้อาโปธาตเป็นอย่างไรคืออาโปธาตที่เป็นภายในก็มีอาโปธาตที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาตที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินากะรูปที่เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบคือดีเลรหนองเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินากระรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาที่เป็นภายใน อาปโปธาธาดน้ำที่เป็นภายในและอาปโปธาที่เป็นภายนอกก็เป็นอาปโปธาต่นเองบงัณฑิตพึงเห็นอาปโปธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาปโปธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบือนนายในอาปโปธาตและทาจิตให้คลายกาหนัดในอาปโปธาตได้ เตโชธาตเป็นอย่างไรคือเตโชธาตที่เป็นภายในก็มีเตโชธาตที่เป็นภายนอกก็มีเตโชธาตที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทาร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทาร่างกายให้สุดโซมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทาร่างกายให้เร่าร้อน ธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินกระรูปซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาที่เป็นภายในเตโชธาธาตุไฟที่เป็นภายในและเตโชธาที่เป็นภายนอกก็เป็นเตโชธาต่นั่นเอง บัณฑิตพึงเห็นเตโชธาต้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นเตโชธาต้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตและทําจิตให้คลายกาหนัดในเตโชธาต์ได้วาโยธาเป็นอย่างไรคือวายโยธาที่เป็นภายในก็มี วายโยธาที่เป็นภายนอกก็มีวายโยธาที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก หรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี่เรียกว่าวายโยธาที่เป็นภายในวายโยธาธาตลมที่เป็นภายในและวายโยธาตที่เป็นภายนอกก็เป็นวายโยธานั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวายโยธานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตราของเราครั้นเห็นวาโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบือนนายในวาโยธาตและทําจิตให้คลายกําหนัดในวาโยธาตได้อากาศธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายใน เป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าคือช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสไหลลงเบื้องต่าหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าเป็นช่องว่างเป็นธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าอากาศสธาที่เป็นภายในอากาศสธาท่าทัคืออากาศที่เป็นภายในและอากาศสธาที่เป็นภายนอกก็เป็นอากาศสธาทนั่นเองบัณฑิต พึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบือนายในอากาศธาตุและทำจิตให้ใคลายกําหนัดในอากาศธาตุได้ ภาวนาเสมอด้วยาธาตุห้าราหุลเธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อ เ, อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างขูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงบนแผ่นดิน แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ําเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ําอยู่ ภาษาอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างน้ำจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้า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 น้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างไฟจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไหมแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเพราะเมื่อเธอ เ, ธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเถิด เพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบเมืองจิตของเธอไม่ได้ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างพูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงจเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลม เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้ว จ, ก ค, จ, วว จ, จ, วจกครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกครอบงำจิตของเธอไม่ได้อากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนแม้ชั้นใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภาษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกครอบงำจิตของเธอไม่ได้การเจริญภาวนาหกอย่าง ราหุลหนึเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้ 2. เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละการเบียดเบียนได้ 3. เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละความริษยาได้ 4. เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละความหงดหิดได้ 5. เธอจงเจริญอสุภะภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภะภาวนาอยู่จักละราคะได้ 6. เธอจงเจริญอนิจจสัญญาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาอยู่จักละความถือตัวได้ อาณาปานสติ16ขั้นราหุลเธอจงเจริญอาณาปานสติเถิดเพราะอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสง์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคลนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งครูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสาสำเนียกว่าเรากาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสสำเนียกว่าเราระงับกายะสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายะสังขารหายใจออกห สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออก6กสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออก7จ็ดสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตสังขารหายใจออก แปดสำเนียวว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียวว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. ก้าสำเนียวว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียวว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก10บสำเนียวว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียวว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก สิเสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกส2สองสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออกส3บสาสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14สี่ำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. บหาสำเนียกว่าเราพ in ิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก16บหกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอาณาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงมากราหุนเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมอัศสาสะหายใจเข้าลมปัสสาสะหายใจออกครั้งสุดท้ายที่ปรากฏชัดย่อมดับไป ที่ไม่ปรากฏชัดยังไม่ดับไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธินี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาราหุโลวาทสูตรที่สองจบ